Thank mm -hmm. you. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบและเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติทุกท่านรายการนี้เป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้นำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์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 และเจริญพรนักเรียนทุกทุกคนที่มาวันนี้ก็ธรรมภาพมีความยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายมาณทีน่นี้นับเป็นนิมิตอันดีที่ครูบาอาจารย์ได้พา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 อารยธรรมบ้างอาริยธรรมบ้างจากต่างประเทศได้หลั่งไหลปนเป็นเข้ามาสู่ในประเทศไทยก็ทำให้ความรู้สึกนึกคิดในความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้น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 สำหรับพุทธศาสนิกชนในรุ่นยาววัยที่เป็นจำนวนมากได้หลงละเริงลืมตัวไปด้วยอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างจนลืม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 และได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในพระาศาสนานั้นไม่ใช่ของง่ายพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าความได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ยากมากเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้น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 เพราฉะ น, นั้นผลของกรรมนั้นก็นําไปสู่ทุกขติคือที่ที่ไม่เจริญที่ที่ไม่ดีที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างเช่นพบภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ติรชานเป็นต้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีคุณความดีพอสมควรที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์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 บำเพ็ญบารมีเป็นคุณความดีอยู่คิดอยู่แต่ในใจในขณะบำเพ็ญบารมีคิดอยู่แต่ในใ จ, ในนในใจว่าเออเรานี่ปรารถนาพระพุทธเจ้าคือความเป็นพระพุทธเจ้าถึงสี่อสงไขยแสนกลับจนบารมีค่อยๆสังสมแก่กล้าพอสมควรแล้วเปล่งวาจาออกมาแสดง ว่าจะออกมาเฉยๆว่าเราปรารถนาพุทธภูมินั้นถึงสี่อสงไขยแสนกับทำความดีมาตลอดแล้วจึงมาตั้งใจบําเพ็ญบารมีเรียกว่าพุทธกาลกธรรม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 มีจิตใจเอื้ออารีมีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาชักนำเรามาเริ่มตั้งแต่บิดามารดาในครอบครัวของเราทีเดียว น, น่เป็นปฐมถ้าว่าบิดามารดาของเราครอบครัวของเราเป็นมิจฉาทิฐิเราก็ไม่มีโอกาสถูกกีดถูกกัน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 อยู่ในโรงเรียนที่เป็นสัมมาทิฐิด้วยนี่เรื่องสำคัญนะมันเป็นทอดทอดมันเป็นบุญนะไม่บุญก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นครอบครัวของเธอทั้งหลายจึงเป็นครอบครัวปัตติรูประเทศเธอได้เกิดในปัตติรูประเทศเฉพาะเจาะจงเข้ามาแล้วแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นปฏติรูประเทศ มีกัญยานามิตรมีครูบาอาจารย์ที่จะชักนาเราเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยการศึกษาและอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้นี่ก็เป็นปฏิรูปประเทศในโรงเรียนของเธอและบัดนี้เธอเข้ามาในปฏิรูปประเทศจริงๆอย่างนี้เธอลองนึกดูมีกี่คนในมนุษย์โลกนี้ที่มีโอกาสอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่บุญบารมีของเธอที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาแล้วจะไม่มีโอกาสมันจะถูกดึงถูกชักถูกเบี่ยงถูกเบนไปแนวอื่นหมดเพราะฉะนั้นผู้มาถ้ามาด้วยความตั้งใจจะมารับสัตย์จะทำจริงๆผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเพราะฉะนั้นนี่แหละ เมื่อเธอมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นยังไงเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยแล้วเมื่อเธอได้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติไปเผยแพร่ไปแนะไปนำผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบตัติตามด้วยและเธอได้ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยก็เป็น มหานิสงค์คืออานิสงค์ที่ยิ่งใหญ่หรือคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แกตัวเองด้วยแล้วแก่ผู้อื่นด้วยได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งสว่างให้กับโลกที่มันมืดอยู่นี่มันดีอย่างนี้เมื่อเธอมาต้องเข้าใจทีเดียวมาแล้วดีอย่างนี้เพราะโลกมันมืดเพราะอะไรมืดเพราะโมหะความหลง หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดพักหลายคนที่หลงอยู่ในอารมณ์ภายนอกอย่างนั้นก็ไปติดอยู่ในเรื่องที่ไร้แก่นสารสาระในชีวิตแม้จะดูเหมือนว่าให้ความสุขชั่วแล่นชั่วขณะที่ได้ไปสัมผัสไปอยู่ร่วมไปกระทำ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 เป็นแนวทางความประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมอันเป็นโทษเป็นทุกข์แต่อย่างเดียวเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายได้เข้ามาสู่สำนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้นับเป็นนิมิต ท, ที่ดี แก่สาธุชนทั้งหลายผู้เข้าใจเหตุและผลในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องคุณความดีและความรู้ความสามารถที่จะประกอบการงานในอาชีพให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเบื้องต้นนี้อาตมาก็จะให้เธอทั้งหลายรับศีลสักก่อน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 พึ่งได้เพียงชั่วคราวอย่าว่าแต่อื่นไกลเลยแม้แต่ตัวของเราเองนี่เรายังไม่สามารถที่จะพึ่งได้ตลอดไปพึ่งได้เพียงแค่ชั่วการระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในท้ายที่สุดร่างกายของเรานี้ก็ย่อมแตกดับไปตามกาลเวลาตามกฎของพระไตรลักษ์ซึ่งสังขารทั้งปวงไม่ว่าจะมีวิญ ญ, ญาณคลอง หรือไม่มีวิญญาณคลองล้วนตกอยู่ในอำนาจของสามัญลักษณะหรือไตลักษ์ทั้งสามประการนี้คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความมิใช่ตัวตนสามประการนี้แหละร่างกายของเรานี้ที่ว่าเป็นตัวตนของเรานี้ก็ย่อมตกอยู่ในธรรมชาติสัจธรรมสมประการนี้ฉะนั้นสิ่งอื่นใด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 ชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสเพื่อเข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงที่เราปฏิบัติศีลธรำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการชำระทางเพื่อที่จะเข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐดังที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณได้กล่าวให้สาธุชนได้ทราบแล้วฉะนั้นเมื่อเรารู้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 ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเธินเจริญพร